ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมกำลังนำเสนอเจโตขีรสูตรมาโดยดําดับเมื่อล่าโดยสรุปก็คือสภาพจิตที่มีความเคลือบแคลงสงสัย ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์และในไตรสีขาก็จะตอกตรึงจิตของบุคคลเอาไว้ไม่มีความเจริญก้าวหน้าก็เป็นเหตุหยุดความเพียรพยายามในการที่จะละบาปำเพ็ญบุญจะททำจิตใจให้ปองใส แต่ว่าในที่นี้ทรงใช้คำว่าละความเพียรความเพียรความพยายามต่างๆคือในความเพียรเนี่ยมันก็มีการป้องกันบาปการละบาปการบำเพ็ญบุญและการรักษาคุณธรรมความดีเหล่านั้นเอาไว้ซึ่งก็ทำอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดหนึ่ง อาจิตใจมีความสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมก็กิเลศก็หมดไปบาปกรรมต่งตางๆก็หมดไปก็เป็นการยุติเรื่องที่จะต้องละแตเรื่องที่จะต้องบำเพ็ญก็เรียกว่าละได้ทั้งบุญทั้งบาปแล้วแต่ในข้อที่ห้านั้น ก็พูดถึงจิตที่โกรธพรทุศรายผูกความโกรธเอาไว้ต่อใครคนใดคนหนึ่งหรือแม้แต่เพียงคนเดียวเนี่ยครับแต่เรายังไม่สามารถจะสละให้หลุดออกไปได้แต่ความกระตือรือร้นความเพียรพยายามที่จะล่าความชั่วประพฤติความดีทำใจผ่องใสมันก็ เกิดขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่า จ, จิตจะเหมือนกับถูกตอกตรึงเอาไว้ด้วยตะปูก็ทำนองคล้ายๆกับไม้กระดานไปตอกตรึงไว้ตับเสาด้วยตะปูนี่มันก็ไปไหนไม่ได้แต่ว จ, จิตของบุคคลถ้าเราลองสังเกตมันจะถูกตรึงมากกว่านั้นคื อ, อ, อไม้กับตะปูนี่ มันถ้าตอกตึงเอาไว้มันก็ตึงได้เฉพาะตรงนั้นพอแยกออกกันมันก็ไม่ตูกตึงไว้แต่ว่าคนที่เราโกรธกับกิตของเราเนี่ยคือคนนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เรายังโกรธอยู่รู้ไหมแต่ความรักก็มีลักษณะอย่างเดียวกันยาที่โล ก, ก น, นิทบอกว่ารักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมออยู่หอแห่งเดียวร่วมห้อง ช่างกันบ่อแลเหลียวตาต่อกันหนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องปอง่าไม้มาบังนั้นแสดงว่าสภาพจิตที่ถูกกำกับควบคุมด้วยความรักความชังเนี่ยและักษณะความชังก็ต้องการพิฆาตเข็นฆ่าทำลายล้างอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ไกลอย่างไรก็คิดถึงในทองนั้นแต่ความรักก็จะมีลักษณะเกี่ยวกับ พอยุดติดอพอปผูกพันเอาไว้อยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ใกล้อยู่ใกล้ ก, ลก็เหมือนอยู่ใกล้ก็สรุปว่าใจไม่สงบเหมือนกันทั้งส่วนของความรักและก็ส่วนของความจังทีนี้ประการต่อไปเนี่ยทรงแสดงถึงเครื่องผูกพันใจไว้ห้าประการตกลงว่าสิ่งที่เดีอวรังจิตของมนุษย์เนี่ย เฉพาะในที่นี้พูดถึงวิจิจิตริชากับโทสะต่อไปก็เป็นเรื่องราคากาโลพาก็ทค์แสดงว่าเครื่องผูกพันใจห้าประการนั้นภิกษุนั้นยังถอนไม่ได้เป็นไฉนดูคนพิสูจ์ทั้งหลายพิสูจน์ในธรรมีนในนี้เป็นผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหาย ไ ม, มไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทะยานในกางโดยเจ็นว่าก็ความที่ซ้ำกันอยู่ตั้งสีห้าคำแต่ว่ามันเป็นกระบวนการทางจิตที่เรียกว่าเป็นปัจจัยของกันและกันแล้วก็หนุนส่งกันไปหมาความว่าถ้าเราเริ่มต้นที่ใจซึ่งยังมีความกำนัดอยู่ กำลังคือความรักใคร่พอใจสยบตยิดเพลิดเพลินผูกพันอยู่ในอารมณ์อารมณ์โลกที่ใจเราไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจในความพอใจเป็นก็เกาะตรึงอยู่ตรงนั้นเด็กพอใจในรูปพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นพอใจในรสพอใจในสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตลอดถึงพอใจในอารมณ์ แล้วตัวความพอใจเนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็นความรักความพอใจมันเริ่มมาก่อนแล้วก็ต่อมาก็จะกลายเป็นความรักความผูกพันต่อไปมันจะกลายเป็นของกระหายกระหายใขย่พกไข่คุยไขย่เกี่ยวข้องไข่ผูกพันก็ไปไเรื่อยแล้วแต่จะกระหายกันพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่า เ, เมื่อ ไม่ประสบเพาเห็นก็จะเกิดความเร่าร้อนด้วยความโหยหาอะไรคำหนึ่งเออคิดถึงคำหนึ่งหาแต่ในขณะที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องอยู่ก็เร่าร้อนด้วยแรงปรารถนาซึ่งถูกกระตุ้นขึ้นจากใจทีนี้พอสิ่งเหล่านั้นยังไม่มาถึงก็ใจเรจะขวอยควาปรารถนาปเปริเรย ผนใจร่ร้อนจนกระสับกระสายแล้วลักษณะใจก็วิ่งวิ่งไปสู่อดีตนาคตปัจจุบันแนวพวกนี้บางแหน เ, เหมือนกันกับแนวนิวรนะ่ะคือจิตมันจะวิ่งแล้วสุดก็ทะเยอทะยานดิ้นรน อ, อยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างน้น อ, อยากได้เร่จนที่สุดจะถามว่าเท่าไรพอเนี่ยมันไม่พอ อ, อย่างที่เืยยกตัวอย่างพระนันทะพุทธะอนุชาเนี่ยท่านเริ่มต้นจากอยากได้นางชนบทกาลยา น, นีพระเจ้าทรงดึงออกมาจากตรงนั้นแล้วก็ไปล่อในนินนาอักษรท่อยากได้คนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าไปเรื่อยเลยจนในที่สุดเนี่ยมันยึดโยงไปหมดมันสลัดหลุดเฉพาะนางชนบทกาลยา น, นี แต่สละดดูดไปหนึ่งแต่ไปเกี่ยวเกาะอยู่ถึงห้าร้อยในการเลยหนักแบทีเนี่เพระนาจเห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาภายในจิตใจของพระนุนเนี่ยผู้เจ้าใช้วิธีที่ค่อนข้างเฉียบขาดแล้วก็รุนแรงก็รเรียกว่าต้องกระชากกันมาเลยแมื่อเกาติดเหนียวหนึบเลย เพิ่นกระชากมาตั้งแต่โน้นแหละตั้งแต่นางชนบทกาลยา น, นีแล้วพาถึงจุดหนึ่งก็กระชากมาจากนางอัปปสรดดยวิธีการที่ไม่เกิดความละอายและเกิดความฮึกเหิมที่กระตุ้นขัตยะมานะขึ้นมาหรือต้องการที่จะต่อสู้ ว่าเพื่อนท่านล้อท่านโดยดยโยเรื่องอะไรเนี่ยเวลาไม่เพื่อนเนี่ยยกย่องชื่นชมในเรื่องที่ละละเรื่องเหลาันได้และในสุดท่านก็ประสบความสำเร็จมันเป็นวิธีการวิธีการอย่างหนึ่งที่โบราณนันพูดว่าน้ำข้าวหูน้ำหยอดหูพน้ำไปแก้น้ำ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเอากิเลสไปแก้กิเลสนะฮะตอนตอนต้นต้นเนีน่ยจากราคะหน่วยย่อยมาเป็นราคะหน่วยหน่วยเหมือนที่มากขึ้นแล้วในสุดก็ให้เกิดมานะขึ้นมาจากตัวเองแล้วก็วิ่งกระสู่กุศลคือใช้ความเพยายามเพียงสามวันนั่นเองนะท่านบรรลมรรคผลเป็นพระหันแล้ว เพื่อนจิตที่เป็นเท็ด น, นี้รับสั่งว่าลูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้ไม่ปราศ จ, จ, จากความกำหนัดไม่ปราศ จ, จากความพอใจไม่ปราศ จ, จากความรักไม่ปราศ จ, จากความกระหายไม่ปราศ จ, จากความเร่าร้อนไม่ปราศ จ, จากความทะเยอทะยานในการก็เป็นอย่างนี้แหละจิตมันจะกระด้างมันดึงมายาก เราลองนึกดูคนก็ได้สัตว์ก็ได้ฮะสุนัข ก, ก็ได้แมวก็ได้อะไรก็ได้นะที่ไปติดตัวเมียนะฮะโอ้ยเอาไม่อยู่อ ะ, ะว่าวาดรุนแรงอย่างที่เคยเล่ามาถึงพระประเจกาพุทธเจ้าองค์หนึ่งเนี่ยเป็นกษัตริย์ประทับบงคอยช้าง ไปช้างกำมังตกมันแล้วก็ไปเจอกะช้างพังช้างตุเมีเกิดมีความกำนัดพอใจต้องการขึ้นมาวิ่งเข้าไปหาโดยไม่สนใจเลยว่าข้างหลังมีใครอยู่ข้างบนมีใครอยู่จนพระราชาต้องเกาะกิ่งมะม่วงโขนอยู่ข้างบนช้างไปแล้ววิ่งไปหาช้างตุเมีใช่ไหม ทำไม่สมเห็นโทตของราคาวอุบันแรกมากๆเลยแล้วก็มาความม่าถ้าใครไปขัดขวางเธอตอนนั้นอาจจะตายก็ได้มันเป็นเหตุการณ์ซ้ำซากที่ตลอดสังสารวัฏเปนยาวนานเนี่ยคุณเจ้าส่งพบเห็นปัญหานี้ซ้ำซากตลอดเพราะตัวตัลรูนี้สูงชัดเจนมาก ตังนี้ตสสนทรงใช้คำว่าเครื่องผูกพันใจลักษณะาการผูกพันมันไม่ใช่แบบตอกตรึงแต่ว่ามีสายใหญ่ที่ไม่เป็นสายจริงๆมีลักษณะเป็นนามธรรมแต่ตัดยาก เป็นความรักความผูกพันที่ทเดี่ยวเกาะอยู่ที่คนสัตว์ที่สิ่งอะไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คนกับคนนะที่พระเจ้าทรงแสดงว่าดูก่อนพิสูจน์ทางหลายสตถาคตไม่เห็นรูปเสียงกิริยโศกุตสาภะอันใดที่เกิดขึ้นแล้วครอบงําใจของอผู้หญิงได้ถ้าคำพูดเสียงกิริยโศกุตสาภะของผู้ชายแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทรงเห็นรูปเสียงกินริยโศกุตสาภะ อันใดที่เกิดขึ้นแล้วครอบงำใจผู้ผู้หญิงได้ถ้าการู้สิ่งกีดรัดของผู้ชายหรือว่ารู้สิ่งกีดขัของผู้หญิงที่ครอบงำใจของผู้ชายรู้สิ่งกีดขัดตัวสภาของผู้ชายที่ครอบงำใจผู้หญิงเขาเรียกว่าครอบงำใจซึ่งกันและกันเอไม่มีอื่นได้ยิ่งไปกว่านั้นโดยนว่าทรัพย์สินเงินทองบางครั้งบางคราวเนี่ยคนยอมเสีย แล้ก็เกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามแล้วไปเลยไอ้สุดรังไม่อยู่จนนําไปสู่ศึก ส, สงครามอย่างที่ทราบกันศึก ส, สงครามถ้าเราไม่ลองจัดกลุ่มของศึกสงครามทั้งหลายเข้ามาหราือเช่น ว, ว่ามันจะเกี่ยวกับราคากรโลกศะนี่เป็นเรื่องใหญ่ แล้วนําไปสู่โทษะเพิ่มปริมาณโมหะขึ้นก็นไปวิหิงสาความเบียดเบียนประทุ้รทายล่างพลังกันผลใจมั น, ม, นมันถูกดึงไปในระดับของในกลุ่มของกิเลสพอเป็นเช่นนี้จิตใจของบุคคลก็จะไม่น้อมใจไปเพื่อความเพียรเครื่ อ, องเผากิเลสเรื่องการประกอบหนึ่งเนื่อ ง, งเพื่อความกระทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมัน่น ที่เป็นเช่นนี้โดยจิตของพิกสุจะไม่น้อมไปเพื่อความเพียรพยายามดังกล่าวเนี่ยก็เพราะว่าเครื่องผูพันใจที่พิกษุยังไม่สามารถถอนได้เรื่องเครื่องผูพันใจในลักษณะนี้ที่นานมาแล้วที่เคยเล่าเรื่องพระอาหารหันต์รูปหนึ่ง ชื่อพระจิตตาหัตถะยังเข้าใจว่าเป็นชื่อแบบในมิตรกนนามเพราะว่าท่านประพฤติไปตามมันน่านความคิดขันงน่ไนท่านวิ่งข้าววิทย์ออกวัดอย่าบุบบวบสึกสึๆึบุบบสกเนีเป็นเจ็ดครั้งเจ็ดขาด้วยกันเพราะผูกพันอยู่กับเมียคนเดียวเท่านั้นเองทั้งทา้งตอย่างอื่นไม่มีอะไรน่ายินดีเลย บ้านก็เป็นกระต๊อบเล็กๆภารกิจการงานก็เป็นชาวนาทำงานเลยยากลำบากแต่ว่าติดตัวที่ปัญญาคนเดียวบวปพะร่างกายแข็งแรงกระพี้กปราออ้าวนึกถึงปัญญาสึกอีละจนถึงเจ็ดครั้งและตัวกระตุกท่านกลับออกมาก็คือปัญญาหรือข้าวหนึง่งปัญญาท่านท้องแก่ แล้วก็นอนหลับตอนกลางวันท่านมาจากนาโดยตั้งใจข้าไปในห้องเพื่อจะเอาผ้าแด่จเจอพั ญ, ญานอนกลุนเสียงสนัน่นผ้าผ่อนก็ไม่เรียบร้อยท่านก็ยืนมองมองพิจารณาก็ที่ปัสนญาหานมาแก่กล้าขึ้นมา เพนรูปที่เคยดูท่านออกมาจากวัดถึงหกครั้งเนี่ยแล้วกลายเป็นรูปที่พรักท่านเข้าไปในวัดในครั้งสุดท้ายโดยดูรูปเนี้ยพิจารณาไปพิจารณาไป้วยกกิจขึ้นสู่ไปรักบรรลุมรควเป็นมรรคาล บ, บนบนเส้นทางที่เดินไปแล้วขอเข้าไปบวชใหม่ก็ได้บรรลุมรคผลเป็นพระหรัน เรียกชื่อว่าจิตตาหัตถ ะ, ะหมายความว่าทันประพฤติกระทำไปตามความคิดแต่เราสังเกตว่าพอพอพลิกจิตมาเนี่ยพอพลิกจิตมาจากมันมันตัดตัวกําหนัดออกไปได้พอตัดกําหนัดได้ความพอใจก็คลายความรักก็คลายความ คลายก็คลายความร้อนร้อนก็คลายความลิ้นรนทะเยอะทะยานอยากก็คลายผมหมดกำหนัดอย่างอื่นก็เป็นโดมิโนโ น, นะฮะมันก็ลบระเนียรนาไปที่จริงในการแสดงอาการเข้มข้นของความกำหนัดนั่นเองพอถึงจุดหนึ่งมันกลายเป็นการอัตนหากับการลิ้นรนทะเยอะทะยานอยากแล้วต่อไปก็เป็นการมุกอาัตนาและยึดปิดอะไรทีเนี้ย นี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องผูกพันใจประการที่หนึ่งแต่ใด่ยังอนไม่ได้มันก็แก้ปัญหาไม่ได้ประการที่สองรัชสั่งว่าภิกษุปเป็นผู้ไม่ประาศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเรา่าร้อนไม่ปราศจากความทะเย อ, อทยานอยาก ในร่างกายคือหมายความว่ากำหนัดยึดติดในกายตัวเองพอใจในความสวยงามในส่วนส ร, ริยะร่างกายของตัวเองนะและด้สุจริตบปนปลื้ตัวเองอย่าหลงรู้ตัวเองบนปลื้ตัวเองก็ บางครั้งบางข่าวหมอคิดตลอดเอิดเปิดเิยนานมาแล้วที่เคยเล่าเรื่องออสุริยะเศรษฐีบุตรท่านเป็นที่จริงก็เป็นบุตรเศรษฐีที่สุริยะนครวันหนึ่งท่านนั่งยานพานะไปไปเห็นพระมหากัจจายนาธที่ระ ความสง่างามของอังคระยกร่างกายของพระเถระเนี่ยหรือบางครั้งมางคราวมีคนก็หลงว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็มีท่านก็คิดโอ้พระรูปนี้หล่อจริงถ้าปัญญาของเราสวยอย่างพระเถรารูปนี้หรือพระรูปนี้ เ, เป็นปัญญาของเราเราคิดตะลึงมันคิด คิดหยาบคายต่อพระอาหารหันต์ใท่านกลับเป็นผู้หญิงมาก้มดูร่างกายตัวเองตกใจเห็นเป็นผู้หญิงก็รีบหลบจากบ้านแล้วก็ไปเจอเกียนของพ่อค้าจากตักศิลาขอขึ้นไปหลบอาศัยบนเกวียนแล้วขอไปด้วย พวกลูกน้องพ่อคาเขาก็นำไปมอบให้แก่เจ้านายต่อมาก็ได้เป็นพัญญาของเจ้านายแล้วคลอดลูกอีกสองคนนะต่อมาก็มาเพื่อนที่เมืองสุริยะเนี่ยไปตั ก, กัศิลาแล้วก็ไปพบกันเธอก็มาเล่าให้ฟังเพื่อนก็นำมาพบพระมาทัศยนาะขอขมาลาโทษแล้วท่านก็รับการให้อภยัย ต่อมาก็สะดุดใจออกบวชเป็นพระหรันเป็นพระหัน ร, ระดับอสิติมาสะวะกองหน่งแต่พระเหตุเนี้ยพระมาเจยนะจึงตรงในมิตรร่างกายของตัวเองให้เป็นพระอ้วนท้องพุ้ยที่เราเรียกว่าระษาสังกัดาจฮะแลวเพราะว่าสงสารประชาชนที่คิดเพียนเพีย น, ยนกับท่านเพราะการหลงรูปเนี่ย มันจะยึดติดในรูปแล้วในสุนจะลืมอย่างยกตัวอย่างพนางรูปปนันธาพระกนิธภปกิณีของพระพุทธเจ้าถ้าเราคำนวณเวลานะคำนวณเวลาคิดว่าก็ก็ไม่ไม่พลาดเท่าไหร่หรอกเพราะถ้าเราลำดับลาดับการเวลาเนี่ยแสดงตอนนั้นท่านต้องสี่สิบกว่าแล้ว เพราะว่าท่านอ่อนกว่าพระพุทธเจ้าแค่สองปีกว่าพระพุทธเจ้าจะเสะเด็จไปโปรดพระประยุร ญ, ญาตเดี๋ยวกว่าพระเจ้าสุโทโธทนะจะนิพพานว่าจะเปลี่ยนราชสมบัติกว่าพระญาติจะออกบวชหมดทั่านดทีหลังเนี่ยเวลาเราคำนวนเวลาแล้วก็สรปุปว่าท่านก็สี่สิบกว่า แล้วถ้านก็ยังหลงในความสวยงามของท่านยึดติดในความสวยงามของท่านแล้วคนเหล่านี้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างในสมัยปัจจุบันเนี่ยพวกเกี่ยวกัสัญญกรรมพลาสติกทั้งหลายก็สมหากินกันคนหลงรูปคนเนี้ยจนมีการสัญญกรรมกันลกลายเป็นแฟชั่นไปแล้วไอ้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นจุด ผมด้อยอะไรแก่ใครอีกแล้วแต่นั้นก็คือแสดงเห็นในการหลงรูปแลยึดจิดในรูปเพราะการที่เราต้องทําสัญญกรรมในที่จริงมันแสดงไปลักในรูปให้เราเห็นแล้ ว, วรูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกเวนตตาเพราะทำยังไงเนี่ยมันไปทิ้งไอสถานะเรื่องเดิมเข้ากันไม่ได้คือไม่เที่ยงเป็นทุกเวนตตาเนี่ยมันก็คงไม่เที่ยงเป็นทุกเวนตตาอย่างนั้นแหะ วันตัจิตก็เป็นอย่างนี้ก็จะไม่น้อมไปไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสเป็นเครื่องประกอบหนึ่งๆเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นทีนี้ข้อที่จิตของพิกษุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบหนึ่งๆเพื่อการกระทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ คือว่าเป็นเครื่องเครื่องผูกพันใจการจะเกิดได้เนี่ยจิตมันต้องคลายความกำหนัดก่อนเพราะถ้าไม่คลายความกำหนัดเนี่ยมันก็ยึดติดอยู่ที่นั้นแหละไม่ยอมไปเพราะตรง น, นี้ที่จริงมันจะเหมือนกับคือตอนแรกๆที่สรงแสดงเรื่องความเครียดเคงสงสัยก็แสดงไม่มีศรัทธา เวลลักษณะศ ร, รัทธานเนี่ยจะเกิดความปักใจฝังใจลงไปแล้วศรัทธาเป็นกุศลนนะ่ะมันจะเกิดความห่องใสขึ้นไปในใจเดี๋ยวความกำลัดมันเป็นอกุศลมันก็ปักใจเหมือนกันปัใจฝังใจอยู่ตรงนั้นแหละแดียวปริมาณของกินเลีก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันมีการอ่อยเยื่อ เอาเยืได้รูปไปเสียงได้กิิ่นไรสได้สัมผัสซ้ำซ้ำรักซักไปสุดก็กลายเป็นอาการข้องติดและสิ่งเหล่านี้นก็ผูกพันจิตเไว้นะพวกนี้ที่จริงก็คืออะไรก็คือกามโยค ะ, เ ค, ะเครื่องประกอบเครื่องผูกมรดกคือการกามการกัรธะเครื่องร้อยรัดจิตใจของบคุคคลไว้คือการ บริการมานุษยสแต่สิ่งที่จะนอนเนื่องอยู่ภายในใจเราครือการมกรรมาสังโยชน์เครื่องผูกพันสัตว์ผูกพันจิตใจสัตว์ไว้ก็แล้วแต่จะเรียกกันฮะและสะรุปว่าเป็นพวกกลุ่มของการมตันหาภวตันหาในข้อที่สามเนี่ยทรงสแสดงว่า ภิกษุเป็นผู้ไม่ปราศ จ, จากความกำหนัดไม่ปราศ จ, จากความพอใจไม่ปราศ จ, จากความรักไม่ปราศ จ, จากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศ จ, จากความทะเยอทะยานในรูปย่าลื้มาตอนแรกในกายกายนั้นหมายความหมายกายของตนเองแต่รูปเนี่ยคือรูปข้างนอกที่รูปในความหมาย ที่ทรงแสดงเนี่ยหมายถึงโลกของโลกโลกสัมผัสทั้งห้านั่นแหละยึดติดในรูปก็ได้ในเสียงก็ได้ในกลิ่นก็ได้ในรส ก, ก็ได้ในสัมผัสที่ตนจับต้องก็ได้ทั้งหมดมันก็คือรูปรูปคือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิมด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายทั้งหมดมันเป็นรูปเพราะได้ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเสื่อมสลายไปตามเหตุ ป, ปัจจัย ถึงจะไหลไปเป็นปกติธรรมดาเขมันเพราะฉะนันพอรูปข้างนอกในใจมันไ่ายคว้าเลยมันมีความระนีแตกต่างกันิีนี้เราจะเห็นว่าปิวิธิการเนี่ยเป็นวิธิการโลกมันเป็นวิธิการสากลอย่างในกรณีที่นางตนาระาะคารตีมาโยโยนพระพุทธเจ้าเนี่ยเล่าในรูปนะฮะ เราได้รูปครบทั้งห้าเขเรกดนตรีมีองค์ห้าในทีนี้รูปเห็นด้ต า, าเนี่ยมันก็มีความหลากหลายไม่สูงนักไม่ต่ำนักไม่ดํำนักไม่ขาวนักไม่อ้วนนักไม่ผอมนักก็สุดทรงสัมผานแตกต่างกันได้ไปเพราะว่าใจคนกําหนดความงามก็ดีความไพเราะ ก, ก็ดีความหอมก็ดีความอร่อยก็ดีความน่าจับต้องก็ดีมันแตกต่างกัน เพราะวินนีการนําเสนอมันก็คล้ายๆกับการเสนอสินค้าเข้าสู่ท้องตลาดเนี่ยแม้สินค้าชนิดเดียวกันขนาดเดียวกันเนี่ยมันต้องมีรูปแบบมันมีสีสันอะไรๆที่แตกต่างกันเพราะว่าในรายละเอียดคนจะชอบนเหมือนกันต้องการรูปร่างอย่างนี้จะ ต, ต้องการสีอย่างนี้ต้องการขนาดอย่างนี้แล้วมันคือก็แถมอะไรแต่จับป้องรู้สึกว่ามันอาจับไม่ต้อง แล้วก็จะแผลอะไรแถมเสียงอะไรอะไรเข้าไปด้วยให้เราสังเกาเตาแม้แต่เสียงโทรศัพท์นี่เคยได้ยินโทรศัพท์มือถือเออโทรศัพท์มือถือนี่เสียงไม่เหมือนกันเราทำไมด้วกันเนี่ยวิธีการทางการตลาดได้ต้องมีการสำรวจความต้องการของตลาดทีนี้ถ้ามันเหมือนกันเนี่ยคนจะไม่รู้สึ ก, กว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่น ตัวมีในะสิ่งที่คนอื่นไม่มีผลวิธีการนําเสนอมันก็นําเสนอแตกต่างกันแล้วคนก็เลือกเอาตามที่ที่ใจเขาชอบผล เ, เสียงเหล่านั้นก็คือวัตถุกรรมอย่างหนึ่งในตัวรูปโทรศัพท์มือถือมันเป็นวัตถุกรรมอย่างหนีน้แต่เสียงเวลาปลุกเวลาคนเรียกเข้ามาเวลาเปล่งออกไปก็เป็นวัตถุกรรมอย่างนีน้ขนาดที่พอเหมาะ มือและจับแล้วกระชับไม่ล็เกินไปไม่โตเกินไปก็เป็นรูปชนิดหนึ่งที่เราสัมผัสเพราะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันก็คืออารมณ์โลกอารมณ์โลกถ้ายังมีการข้องติดแล้วแม้แต่อย่างเดียวมันไม่ต้องครบทั้งห้าอย่างหรอกแม้แต่อย่างเดียวก็ไปไม่ได้ละเพราะในอัตตะตาชาติโดก ได้เล่าถึงคนที่ติดรูปแล้วก็ตายพระรูปติดเสียงตายพระเสียงติดกลิ่นตายพระกลิ่นติดรถตายพระรถติดสัมผัสแล้วก็ตายพระสัมผัสตัวนี้บางทีก็เรียกว่าห่วงมานหรือเครื่องปลูกของมานหรือพวงดอกไม้ของมานก็แล้วแต่ยานในกรณีเรื่องพระโพธิสัตว์เรื่องหนึ่ง บอกว่าบริษัทนั้นได้รับการทำนายจากโหรจารย์ว่าจะได้เป็นกษัตริย์ครองกรุงตกศิลาจะต้องอยู่ที่ภารานีพารานีก็ตกศิลาไกลนะฮะตกศิลาปัจจุบันก็อยู่ที่ปากีสถานภารานสีก็อยู่ที่อุตตรประเทศ มีข้อแม้ว่าต้องเดินทางไปรับสมบัติมีบุตรอ ม, มาตห้าคนขอไปด้วยแต่ว่าพระโพธิสัตว์ราชกุ ม, มารเนี่ยรู้ว่าบุตรอ ม, มาตตัวเนี้ยถึงเป็นสหายเนี่ยมีจุดอ่อนบอกว่าไปไม่ได้แล้วคุณบนเส้นทางนี่อันตรายเยอะ แต่ว่าคนเหล่านั้นแสดงความเชื่อมัน่นรับประกันตัวเองว่าเขาสามารถผ่านวิกฤตเหล่านั้นได้แลเบนด่านมีทางล่าว่ามีไปเข้าเส้นทางในเขตที่อยู่ของยักษ์ที่มี่พวนี้มันก็เป็นอมนุษย์กึ่งเทพนะกบิดเบือนปลอมแปลงสร้างเนรามิตอะไรขึ้นมาสวยๆงามลอ่อในรูปบ้านในเสียงบ้านในกลิ่นบ้านในรถบ้านในสัมผัสบ้าน จับเพื่อนไปทีละคนทีละค น, ะคนด้วยรูปด้วยเสียงด้วยกลิน่นด้วยรถยสัมผัสพอมาถึงพระโพธิสัตวเนี่ยเอาไม่อยู่สักบ่วงห้าบ่วงเนี่อาไม่อยู่จนตัวหัวหน้ายักษินีต้องปลอมเป็นสตรีสวยงามไล่ตามไปสแสดงตัวเองเป็นพัญญาพระโพธัตว์ก็ไม่สนใไจไตามไปจนถึงไร้ประตูเมืองตกกศิลา เดี๋ยวเข้าไปที่ศาลารเรียกสันตาการซึ่งเป็นที่พักของคนเดินทางท่านก็ขึ้นมาอยู่ท่าการคนยักษ์ที่นี่ก็เรียกแต่ท่านก็ไม่ลงมาพระเจ้ากรุงตักกศิลาออกมาพบข้าวพอใจในรูปสวยของนางยักษ์ที่นี่เยรับเข้าไปไว้ในหวงัง ตกกลางคืนยักษินีก็นัดหมายพระพวกเข้ามากินคนในวังเซ็ตเยอะแยะเลยหมดพประจุงก็ตายกันในระ น, นารุ่งเช้าเมื่อทราบว่ากษัตริย์ถูกฆ่าไปแล้วคนก็ทบทวนเนการต่างได้สมัยโบราณ ก, ก็เสียงบุษบกราชรถราชรถก็ไปเกยที่เท้าของพระโพธิสัตว์ บริษัทก็ได้ครองราชสมบัติในกรุงตั ก, กศิลาโดยได้อภิเษกสมรสกับพระราชธิดาของพระเจ้าตักศิลาองค์ก่อนอันนี้เรื่องเรื่องจะจริงหรือไม่จริงไม่แปลกแต่ว่าที่คนพ่ายแพ้ต่อรู้เสียงกินรถรถไฟธรรมรมนี่จริงแล้วคนชะนะมันก็มีอยู่จริง มันก็แสดงถึงความล้มเหลวในชีวิตของมนุษย์ห้าคนบนเส้นทางชีวิตที่ยาวไกลเนี่ยมันไปไม่สู่จุดหมายปลายทางเพราะพ้ายแพ้ต่ออารมณ์ตัวเองลงรูปแต่ว่าบนเส้นทางสายเดียวกันเนี่ยมีรูปสิง ก, ก, ก์ิโนกฏทานอยว่กันแต่มีคนคนคนหนึ่งที่เข้มแข็งก็หมายความยังไงหมายความว่าใจของท่านเนี่ย ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทเยอทะยานในรูปพอเป็นเช่นนี้แต่ท่านก็ก้าวไปบนเส้นทาง น, นั่นก็คือจะน้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อการประกอบดึงเนื้เพื่อการทำติดต่อเพื่อความเพียรในตั้งมัน่น คืมีการที่จิตไม่น้อยไปของของอีกห้าคนก็เพราะว่ายัางพอใจอยังสยบติดอยู่ในรูปส่วนความรู้สึกตรงนี้ก็คือเครื่องปุพัน์ใจที่ประการหน้่งถงวันจะสังเกตว่าตรงเนี้ยมันมันเป็นเน้นที่จริงถ้าพูดถึงกิเลสก็คือเน้นที่ราขะากาัรโลภะและอย่าลือมมมีโมหะอยู่ ถ้าไม่มูหะมันก็ไม่ราค่าจัดอย่างนั้นไม่ดูาจัดอย่างนั้นหรอกหรือว่าไม่สามารถจะใช้เหตุผลแยกแยกจะจำแนกได้ปัญหาเลยก็ทับซ้อนขึ้นในชีวิตของท่านแล้วก็กลายเป็นถูกมัดเอาไว้ถูกพันเอาไว้เป็นสายใหญ่ที่ ไม่สามารถเห็นด้วยตาแต่ว่าสัมผัส ด, ด้วยใจเมื่อที่ตายไปแล้วนะยังผูกพันอยู่บางทียังไม่มาก็ไขว่คว้าบางอีกบางทีก็กำลังกำหนัดเพล่อเพลยอยู่นในปัจจุบันก็ผูกมาไว้หันใจก็สายถ้าเป็นระดับของที่มันญยาบมันคือออกมาม่รูปอาชญากรรม ระดับกลางๆ ก, นะก็ออกไปในรูปของนิบอต์ระดับละเอียดก็อยู่ในรูปของสังโยชน์รอบรูปอนุยัยเหมือนการสลัดหลุดได้เนี่ยพวกเราเนี้สลัดหลุดก็ได้มันก็ต้องไปโน้นเลยนะไปเป็นพระราคาเมีเยเรื่องใหญ่แต่ว่าเรามองถึงสังคมปัจจุบัน ในันกรรมกรเนี่ยตันที่หนึ่งพิจาราวันกรรมกรก็รติดตามไอ้ความคิดความเห็นที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องแรงงานปัญหาเรื่องชีวิตกรรมกรปัญหาเรื่องอรายรับรายจ่ายปัญหาเรื่องการบริหารจัดการกับเงินทองที่ตนเองได้มาแล้วก็ยอมรนะับควาจริงฮนะคนมันก็มีความแตกต่าง แล้วถ้าเราไม่คิดแบ่งแยกอ่ะทุกคนก็เป็นกรรมกรก็เป็นผู้ทําการงานดันเองไม่ใช่คาต่ําอะไรไม่คําหยาบคายอะไรเป็นผู้ทําการงานแต่ทั้งเดียวแต่ถามว่าเป็นผู้ใช้แรงงานและคนอื่นไม่ใช่แรงงานเลยคนอื่นเดี๋วก็สอนหนังสือก็อ่านหนังสือก็ทําทงานวิจัยก็อยู่หน้าจอโทรทัศน์หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็ใช้แรงงานอัไรนั้นแหะ และปัญหาสําคัญเนี่ยอยู่ที่การสามารถกลับควบคุมความอยากที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองได้พระเจ้าจึงทรงวางหลักไว้ว่ารายได้เนี่ยต้องมากกว่ารายจ่ายให้ความจ่ายไปแล้วก็ต้องมีรายเหลือแหลือทีนี้ถ้าหากว่ารายจ่ายทุมท้นรายได้เนี่ยยังไงมันก็ไปไม่รอด เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่ารรมกรในงานทัว่วไปเนะี่ยถามว่ารายได้ระดับหนึ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีคนอยู่ดีมีสุขไห ม, มก็มีนะมันรู้จักประหยัดรักษาตรตกองคนหนึ่งพูดดีมากสองคนเป็นเมียบอกว่าเวลาเขาเบิกเงินเดือนเนี่ยเขาไปเข้าธนาคาร แล้วก็เอาไปเบิกมาทีละร้อยสองรอยแล้วก็เป็นอยู่อย่างประหยะัดเมื่หมดแล้วก็จึงไปเบิกมาทีละร้อยสองรอยคนหนึ่งพูดถึงกันซื้อหาจับใจบากเขาก็พยายามซื้อหามาแล้วก็เก็บไว้กินภายในเจ็ดวันของที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยจะต้องพยายามปรุงอาหารให้ใช้ บริโภคกันภายในเจ็ดวันให้พอกแล้วก็แสดงว่ามันกำกับควบคุมความอยากอได้แล้วถ้าเรามองเรามองแม้แต่เด็กที่วัดเนี่ยเราก็มองเด็กที่วัดบางที่ลูกหลานที่ก็มาจะต่างจังหวัดมาเยี่ยมมาเยื่นเนี่ยเราก็ตกใจนะสิของที่เขาซื้อมาวันนี้ก็เออเด็กพวกนี้แกมาจากนานะ พ่อแม่แกกว่าจะเก็บเกี่ยวขายข้าวได้เงินได้ท่าบมาเนี่ยมันกผ่านขั้นตอนมนเยอะเลยเดี๋ยววันี้นั่งรถไฟมานั่งรถหัวมาไม่กี่ชั่วโมงมาอยู่กรุงเทพแกขึ้นห้างเลยนะอะไรก็ไปร้านสะดวกซื้ออะไรก็ขึ้นห้างของเล็กของน้อยก็ขึ้นห้างหมดอะเดี๋ยวเราเห็นได้อย่างชัดเจนวันนี้ยมันคือยึดอิด แล้วแม้แต่การอะไรล่ะโทรศัพท์โทรศพัทรศพท์ที่วัดเนี่ยมันที่เราเดินรึกๆสอนถือทุ่มเนี่ยเด็กนั่งตะคุบจะคุ่มปรากฏว่าโทรศัพท์ออกไปนอกวัดไปคุยกับเพื่อนแทนที่จะอ่านหนังสือเนี่ยแกก็ไปถุยโทรศัพท์กันแล้วแีก็ เ, เคยนั่งฟังแล้วฟังเรื่องที่แก ค, คุยไม่เห็นว่ามีสาระอะไร แต่กก็ไม่ได้คิดนะว่าที่จริงมันมันจ่ายสะตา่างทุลมหายใจเข้าออกฉันเราจะเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจก็กดีปัญหาสังคมก็ดีปัญหาการเมืองก็ดีปัญหาความมั่นคงในด้านต่างๆก็ดีมั่ส่วนมากเนี่ยมันเกิดมาจากกา ร, การอาการที่จิบมันเลื่อนไหลไปตามกระแสที่สร้างขึ้นเป็นกับดักอักมนุู้นะ อันล่อเนี่ยเราให้ติดในรูปติดในรูปสวยๆเสียงไปรอ้องกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจัต้องและมันหลากหลายทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสจะมีความหลากหลายนะอย่าโน้อยก็ต้องติดแหละคนใดคนหนึ่งเมื่อต้องติดเ น, นี่ยพี่ใดพี่เนึ่งมันก็ทํามองคล้ายๆกับตาข่ายที่ก็ดักนกเนี่ยดักนกดักปลาอะไรแต่อะไรก็ตามะ คือมันยิ่งเล็กเนี่ยมันจะดักได้มากดักได้ทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่แต่ว่าถ้าช่องมันมันกว้างเนี่ยมันก็ดักได้สัตว์ใหญ่ก็แสดงว่าคนที่ใช้ตะข่ายกว้างเนี่ยมันก็ยังมีเจตนาดีหวังดีอยู่อย่างน้อยก็สัตว์เล็กๆ็กก็อย่าไปจับมันก่อนเราจับเฉพาะสัตว์ใหญ่ แต่ีนี้พอโลบจัดเนี่ยมันจะเอาหมดเลยเขาเรียกวัวนทิตามันทีเนี่ยมันจะจับระเนระนาดไปนละยในหูก็เกิดปัญหาเกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายในเวลาไม่สมควรแล้วก็ทบต่อเศรษฐกิจกระทบต่อสังคมกระทบอะไรไปแถวไปเลย เพรในประศุตนี้เราจะเห็นว่ามันไม่ใช่อย่าไปคิดเรื่องนิพพานอย่างเดียวนะมันเป็นการสะท้อนวิถีสังคมมิตริอารมณ์ของมนุษย์ว่าถ้ามนุษย์ไปไปไ ป, ไปยึดติดอะไรสักอย่างหนึ่อย่าในข้อข้ อ, ขอแรกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไปข้องติดอยู่ในกามกามเมี่จริงกับรูปเนี่ยมันก็คือพวกเดียวกัน แล้วว่ากาวมันจะเน้นหมดทั้งห้ารูปมันจะเน้นเฉพาะรูปเทนเดีวกัแต่ทีนี้พอแยกเดี่ยวมันเป็นข้อมันก็คือกันนะฮะมันก็คือกันเพราะว่าเสียงกงภาภาภาลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมรมมันก็อยู่ที่รูปนะั่นและแต่วความกำหนัดในรูปความพอใจติดใจในรูปหรือแม้ในเสียงในกลิ่นในรสในผ ภ, าภาัณ มันจะก่อให้เกิดการเปรียบเทียบเทียบเคียงแล้วก็กระสับกรากที่ประณีบไปเรื่อ ย, ร, อ ย, ร, อยราคาค่า จ, จากก่ายมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วกลายเป็นสังคมบริโภคเป็นการบริโภคิยุ่งยงันถ้าเราลองสังเกตออกไปไหนตอนเชา้าตอนเย็นๆนะฮะหรือจะเจอคนรึงคนทั่วๆไปเนี่ยกินกาแฟกินกาแฟเออ สุกบุรีถือบุรีแล้วก็ถือก็จิ้งแดงถือบุรีกินกาแฟมาแล้วบางทีก็มีอะไรขนมอะไรอะไรทิ้มาอย่าไม่ได้สตางค์ทักบาทั้งใจเยอะนะนั่นก็คือความพอใจะติดใจในสิ่งเหล่านั้นซึ่งที่จริงเราสามารถประหยัดได้แต่ว่าเพราะมันเกิดกำนัด มันเกิดความพอใจมันเกิดความปรารถนาเกิดความต้องการตัว น, นี้เลยก็ผูกรักใจกลายเป็นเรื่องอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าเสพติดเป็การเสพติดอารมณ์และจีน ก, ก็คล่องติดอยู่กับสิ่งเสพติดจีนก็ไปไหนไม่รับมันก็แนวแคล้ายๆกับพวกจับปลาขายปล่อยนะฮะจับนกจับปลามาให้เขาปล่อยเนยมันก็ให้กินยาตเสพติด แล้วก็จับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยอย่างนี้มันก็ได้สตางค์คนปล่อยก็คิดว่าตัวเองได้บุญแต่ก็กลายเป็นร่วกันทรมานสัตว์ด้วยกันนี่มันคือโลกคือสีทที่ถูกพรรณนาการไว้ด้วยอารมณ์ด้วยกิเลสทั้งหลายแล้วฟังเท่าไรเสียงธรรมจากหมาา่างลิทไลศีปตุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อกรามไปบูุ์ในธรรมสจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทัท่วกันสวัสดี